อ๋อนจันทกันแล้วไม่ได้เจอกันยุ่งยุ่งทั้งวันจริงๆวันนี้ก็ยุ่งทั้งวันเหมือนกันเช้าสาแสงแรงขำโดยเพราะวันนี้พวกเราคงตื่นเต้นกันนตื่นเต้นกันไหมวันนี้เออแต่พมาเนนะ่าจะหนักคุณจะดีใจไม่ไหวประมา JD, เจดีวัดพอพม่ า, มาเป็นศูนย์เรากลางเลิกให้ซีกว่าขนาดนึงพม่าเจ็บกว่าแปดกว่าถ้าถือว่าเราโชคดีขณะทำกพคือสวดถอนโบทปรากฏว่าโอ้โยูยูมันลั่น ก็ะเบื่องโผลไหวเคลื่อนโอน่ากลัวยืนแทมนไม่ติดเ อ, อือนหัวไปดับคอเลนไม่คช่หังเลยอันนี้คือเรื่องที่เราควรจะเป็นเรื่องกังธรรมชาติไม่มีใครอยากให้มันเกิดการเป็น ถ้าเราไม่เข้าใจธรรมาชาติมันก็จะอยู่กันอย่างนี้มันจะเรื่องเปนเ่งเรื่องที่สองในขณะเดียวกันก็มีผู้ปฏิบัติอต่อเนื่องนิดนึงเนื่อ ง, งจากยโจมทางบาลีอินโด ก็ถามกันมาว่าเชียงใหม่เอ้ไงไหมบางหลงว่าปยีงี้บางโอไม่กินแล้วก็ข่าวโดวยที่มันเร็วมากเขาก็เป็นห่วงโคจิไม่ได้ไปสกกิงคโปร์โคจะไม่ได้ไปมาเลยเขาบอกโอไม่เป็นไรนิดหน่อยลูกหลานก็โทรมา จับสารที่หลากหลายอารมันเราห้ฟังหลังจากนั้นก็อีกอารมณ์หนึ่งเป็นอารมณ์ของนักปฏิบัติเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้พูดถึงปฏิกหติพูดถึงกับปฏิบัติซึ่งไม่รู้ว่าไปไปสำนักไหนมากันไม่ทราบขอให้ดูจริงๆแล้วมันอยู่ใ น, นหมด จตุรารกับกรรมฐานกรรมฐานสแต่ว่าสานักนี้เอามาสอนเป็นเรื่องเป็นราวเราเริ่มต้นจากข้อหนึ่งกับข้อสองไม่เอามาสอนจะ เ, เอาข้อสามข้อสี่ข้อสามคืออสุภะข้อสี่คือมรณะเอามาสอน ข้อหนึ่งจริงๆนี่คือพุท ธ, ธานสุสติไม่เอามาสอนไม่มองไาพูดข้อที่สองคือแม่ตางนี่ก็ไม่พูดไปพูดเรื่องอสุภะนี่เราให้ฟังนีเคิดปัญญาว่าอสุภะนี่เขาไม่ได้สอนให้ดูรูปร่างกายสอนให้ดูอุจจาระไม่รู้ว่าดูเพื่ออะไรดูเพื่ออะไร เพื่อเห็นาุปหะหรือเห็นอะไรถ้าเด็กเาคนสอนก็ไม่เข้าใจร้านแกะดูอุบาะแล้วให้ไปดูให้ไปรงมตะบบาลให้ไปดูความต่างลูกศิษย์ลูกค้าก็ปฏิบัติต่ออย่างนีน้แล้วก็มาถามหลวงพ่อถามว่าทำอย่างนี้แต่ว่าเขาไปดูดูอุจจระทุกวัน วันไหนต้องมาดูไม่ดูเหมือนกั้วขาหรือะไอย่างเมื่อลายเป็นติดไปแล้วนะป็นสัญญามันไม่ได้เป็นปัญญายี่ึไปเพิ่มสัญญาเข้าไปอีกซึ่งเคยมาดูาพิจารณาไปเป็ อ, อะไรสองบอกไปดูคนตายไปดูที่ไหนไปดูที่โรงพยาบาลสอนก็นสองข้อนี้ ถ้าใครทําได้ก็จะบรรลุซึ่งไม่รู้ว่าบรรลุอะไรไม่รู้ไม่ได้ถางบรรลุอะไรก็ไม่รู้พนี้ก็อยากบรรลุคนที่ถามอยากบรรลุโสดาบันผมบอกว่าทำอย่างนี้บรรลุโสดาบันไหมเอาทําไมไม่ถามอาจารย์คุณพเรามาถามโดยที่เราดูดูขี้ทุกวันบรรลุโสดาบันยังไง นี่ความไม่รู้ว่าวุตถุประสงค์สอดเพื่ออะไรจริงๆพงไปรเทศอสุภะไม่เดดเกี่ยวกับอจุระลักษ์อสุภะคืออะไรคันห้ากันห้าของเราเนี่ยมองให้เป็นอสุภะคันห้าคือแ ย, ยกไปสอรดูกับนางธาตุไปดีน้ำไฟลมมันแ ย, ยกกันตั้งของข้างใน อันนี้คือขันห้าดูขันห้าเป็นหลักสองก็คือมาแาณะถามเขาว่าเข้าใจว้าความตายคืออะไรทำไมต้องไปดูที่โรงพยาบาลทำไมไม่คิดเรื่องตายและความตายนั่ก็หมายได้แจ้งคืออะไรที่ว่าตายเนี่ยคืออะไรตาย ก, กายหรือจิตก็ไปดูแค่คนที่หมดลมหายใจเสียเว่าตายดูแล้วคิดต่ อ, อยังไงดูไปดูเพื่อนคนตายเป็นอย่างนี้มันก็ได้สัญญามันไม่ได้เกิดปัญญาของทาวที่ตายมันคืออะไรมารักษาธาตุกลับไปสู่สภาวะเดิมของเขาเรากลับไม่ดูธาตุ ดินนะ้ำไปลมเขาแยกยะ ก, กันไปตามอยู่ตามที่มาเข้าไปอย่ง้แต่ไปคิดว่าตายแต่ธาตุมันอยู่ที่ไหนถามว่าถ้าดูแล้วมันไม่เกิดปัญญามันก็ได้แค่สัญญาคือจำมันไม่ได้เกิดปัญญาแล้วแล้วก็ตัวเองก็ไม่เข้าใจว่ า, าตายคือเข้าใจว่าหมดลมหายใจอยู่รี่ว่าตาย แล้วถามว่าอะไรตายแต่ตัวที่ไม่ตายมันคืออะไรมันก็ไปไม่ถึงไหนกับปุณงาคือแต่แค่ปุบปั้บแค่คพี่มันไม่ได้เข้าถึงกันเพราะฉะนั้นโดยความหมายก็คือกับอทีนต้องการโซดาบัลทำโซดาบัลคืออะไรเขาเข้าใจยังไงเขสอนกันยังไงทําไมเป็นอยากได้โซดาบัล และพื้นฐานของตัวเองไม่มีมากน้อยขนาดไหนคําว่าพื้นฐานในตรงนี้ก็คือทั้งาภาคปริยัติหรือความเข้าใจขนาดไหนทั้งภาคปฏิบัติได้ลงมือไปแล้วขนาดไหนอันนี้ผมถึงไม่ได้พูดถึงอดีตเอาแค่ปัจจุบันแล้วสติปัญญาของตัวเองมีอยู่ในระดับไหน จึงจะเอาตัวเองข้ามไปที่วัดโสดาบันไดเพระวัดโสดาบันก็องเกิดกับผู้มีปัญญาเราเนาะไม่ได้เกิดจากคุณสัญญาคือจําจํำว่ามันคือสักจะทิฏฐิวิจิกริชฌาที่รบกับปาลมาต์และก็โสดาบันอันนี้คือสัญญาสัญญาแต่เนี่ยก็เปพันแข่งพันขาไม่เข้าใจอดสภาวะโดยแท้จริงคืออะไร เพราะนั้นถ้าไม่เริ่มต้นที่สติปัญญาไม่มีทางที่จะเข้าใจคำว่าโซดาบัณฑ์นันก็คือสักยะ ท, ที่สักยะคืออะไรก็คือขันหองขันห้าบ ค, คืออะไรขันห้าคือสังกตตาธรรมสังกตตาธรรมคืออะไรสังกตาธรรมคือเป็นแหล่งที่ทำให้เราเกิดความนึกคิดปรุงแต่งไม่สามารถที่จะเห็นความเกิดขึ้นความตั้งอยู่และความเสื่อมไป ของมันเช่นตาเห็นรูปเราก็รู้ไม่ทันหมูฟังเสียงได้ยินเสียงเราก็รู้ไม่ทันเนี่ยอด็กก็ไม่เข้าใจขใันรับไม่ใช่แค่สักกาะที่ตีเราถ้าเข้าใจว่าคือรูปคำนามอย่างเดียวไม่ใช่มันอง ป, ประกอบอเยอะเนี่ยตาเห็นรูปแล้วเกิดอะไรขึ้นหูฟังเสียงแล้วเกิดอะไรขึ้นถ้ามันยินดีเกิด อ, อะไรขึ้นมันยินร้ายเกิด อ, อะไรขึ้น ต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วเกิดขึ้นแล้วมันต้องนับต้องเข้าใจเกิดขึ้ น, นมันต้องนับต้องทอย่างอันนี้แค่ตัวอย่างเฉยๆเพราะตัวอย่างมันเกี่ยวเรื่องเชื่อมโยงกันหมดแต่ว่าคือสําคัญที่สุดก็คืออย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้ผู้เชี่ยวชาติเป็นมัด ม, ม, ม, มีองแปรนั่นคือสี่งองค์ยกขึ้นระับแรกไม่ใช่ศีลสมาธิปัญญาอย่างที่เราเรียนปริยักันมาท่านเรียงปัญญาขึ้นก่อน คือสมาธิคือเป็นถ้ายังไม่เห็นเส้นนี้ด้วยปัญญาคือยังไม่เป็นสมาธิคือ เ, เลิกเส้นเลอกสมาธิเป็นรองเอาปัญญาขึ้นมาก่อนเไปนั้นคนที่เข้าใจสิ่งอะเนี้ต้องเกิดปัญญาเพราะปัญญาตอนนี้เป็นตัวละถอนปล่อยวางตัวเห็นจริงต้นธาตต้นแท้ต้นธรรมต้นสัจจะความเป็นจริงมันถึงจะวางได้ถ้าไม่มันก็ได้สัญญาคือความจํา สัญญาเอาไปทำอะไรเอาไปปรุงก็คือสังคตา น, นั่ะนั่งคําว่าสังคตะกับอสังคตะต่างกันหนึ่งสังคตาก็คือพูดง่ายๆคือมือพวกเราเจ้าคานี่แหละคือคนที่ยังไม่เข้าใจขันห้างส่วนอสังคตะทรรมถ้พูดว่าง่ายคือวิพานไม่มีปัจจัยอะไรมาปรุงมาแต่งมาเติมมาแต่งมาตอไม่มี ไม่มีเห็นมาเกิดขึ้นการตั้งอยู่และการเสื่อมไม่แต่สังกัตธรรมเความเสื่อมก็มีการตั้งอยู่ก็มีความต่อไปกันมีแต่เราไม่เห็นด้วยปัญญามีขอ้อแตกตา่างก็สังกัตธรรมกับอสังกตธรรมถึงการไปปรุงไปแต่งเพราะนั้นกิจเบื้องต้นก็คือสัทธาจะทานอะไรในพระรัตนใจพระรันตนใจไม่ได้แปลคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมวิสสงคุณพระเจ้าเริ่มตั้งแต่ พิจารณาจนาน้ำตาไหลคนคนหนึ่งเอาแค่เป็นคนคนหนึ่งตามความปรารถนาที่จะเป็นพุทธภูมิก็เป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นโพธิสัตว์จะต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่และอายุศาสนาหรือพุทธันดองของท่านแต่ละองค์ไม่เท่ากันในศาสนากับพระยองรลกห้าพันปีพอจะไปถึงห้าพันปีเนี่ยพระองค์ต้องปฏิบัติตน เป็นโพดิสัตย์ตรองใช้ยาเท่าไหร่เป็นมาทุกอย่างสังหรส์สอบน้อยแต่ว่าเป็นไม่เป็นหัวหน้าเป็นทุงอย่างไม่มีอะไรที่ไม่เป็นอันนี้คือพุทธภูมิคือคนที่คนที่เป็นพุทธเจ้าคนที่ตัดสิรู้คนที่สั่สอนเวเนยสัตย์ของเราได้ไม่ทันทุกอย่างบริษัทบริวาล ที่เกิดร่วมยุคกับพระองค์ก็เช่นเดียวกันจะต้องทางานพัฒนาร่วมกันแต่รับกัรพยากรณ์แล้วแต่ละคนก็เกิดและตายตายและเกิดเกิดว่าแต่เกิดเป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นกรริรยา น, นันท์ต่อกันเพราะนั้นจึงมีคําว่าทุกอย่างไม่มีบังเอิญแม้ไม่มีเรื่องบังเองิญเพีแต่เรา ไม่สามารถจะเห็นมืออดีตต่างหละย่างก็นยานอดีตย้อนไปข้างหลังไม่มีเราไม่รู้เพราะฉที่เรามาอยู่มานั่งรู้กรรมเป็นกิริยาชมิรผู้จ้าก็คุยกันนะถ้าคุณไปดูคอทุบดูจิตดกันกันมันเข้ากันได้ได้มัอยู่ด้วยกันไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องเหมือนอื่นอันนี้คือคําว่าพุทธังสจารังพระเจ้าคือพุทธเจ้าเรารั่งสำนักสำเนียกในบุญและคุณของพุทธเจ้า สองพันกวปีวันี้ถ้าเราไม่มีคุณวันนี้เราอยู่สภาพนี้ไม่ได้หรอกธรมังสนามกระฉามนี้เช่นเดียวกันท่านชี้ให้เห็นถึงสภาพเราเป็นธรรมชาติแล้วพระองค์ก็ไม่ได้คีดตัวว่ามันเป็นความคิดของพระองค์พระองค์รู้จักมันม้นม่มีอยู่แล้วมันเป็นสภาวะอย่างนี้อยู่แล้วใครจะเกิดไม่เกิดแก่ไม่แก่เจ็บไม่เจะตายไม่ตายเขาก็เป็นอยู่อย่างเนี้ยชัวย่วนาตาปีมันไม่ได้เกี่วกับศาสนา ธรรมชาติธรรมดาแต่ก็รวบรวมเรียบเรียนโดยพระองค์ตรวจสอบทดลองทำแล้วไอ้ดูนะี่กว่าจะเป็นพุทธะไม่ใช่เรื่องง่ายในข้าใจอย่างลึกซึ้งโอ้กว่าเรากว่าจะได้ได้ยินได้เสพคําพูดนี้ซึ่งไม่รู้กี่ปีกี่ชาติไปแล้วเราไม่ได้ยินของพูดเราไปเป็นอะไรกันมาดูเราคือจิตดวนี้ที่เราเรียกว่าตายตาย มันเป็นสิงอยู่ในร่างของอะไรก็ไม่รู้ถ้าจิตในขนาดนั้น่ะมันเป็นควาายมันก็ไปอยู่กับควายหรือสภาว่าจิตที่บอกต้องระวังจิตสุดท้ายต้องระวังเป็นกไปรักสัตว์ของเลี้ยงเช่นสุนัขไปเลี้ยงน่ารักปู่พันโบปูตายแล้วเขาจะไปเลี้ยงมันแล้วมันจะอยู่ยังไงเอาแล้วจิตสุดท้าย จิตมันก็ไปอยู่กับสนัขไปนะมันก็กลายเป็นสนัขจิตดวงเดียวกันเป็นคนอยู่นิรุนแรงนะเพราะจิตัวนี้จึงแปรสภาพที่อย่างอื่นเยอะแยะมากมายตัวเรานะไม่มีอะไรที่เราไม่เคยเป็นเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นนักบวชเป็นที่สำคัญก็อถ้าเราไม่อยต้นทุนมาเราคงไม่เป็นอย่างนี้ครับต้นทนเราไม่ดีคงไม่เป็นอย่างนี้มันคงจะเป็นอย่างอื่น แต่จะประมาทนะมันเป็นๆต้นทุนอาจจะต่ํตากว่านี้นี่คพุทธังธรรมังสังสังคังก็ยังเหลือแต่สังคังธนานกระฉาเนี่ยนี่พะญาณจะพูดจะอธิบายขยายความว่าที่เป็นอย่ออนาง น, นี้เพราะอย่างนี้นะที่เป็นเพราอย่างนี้เนาะสังคังธนานกระฉาเนี้ยหมายถึงผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพระ อ, อริยะอันนี้คือพุทธังคือคําวาาา่าพระรัตนะใจ เข้าใจละเอเียดอย่างนี้อย่างลึกซึ้งแล้วสินสิ น, สนเป็นสินของอริยะกันตาสินคือเอาชีวิตแลกดางเอาชีวิตตัวเองแลกดังไม่ใช่ขาดขาดกันเกินเดี๋ยวเรามีบ้างไม่มีบ้างเสียงพระสวดาบางังหรืออริยกันตาสินเอาชีวิตเป็นตัวแรกเราไม่มีคุณธรรทาทำไปไม่ได้ สักยัติต่อไปก็วิจิตริชานี่ความลังเลยสงสัยในโลกนี้ทั้งปวุมไม่มีนี่สแสดงว่าปัญญามาเกิดแล้วทั้งสามอย่างเนี่ยเพราะปัญญาเป็นตัวตัดเข้าใจด้วยปัญญาไม่ใช่สัญญาไม่ใช่ไปดูแค่อุจจระไม่ใช่ไปดูแค่ความตายกร็รวมรที่ตายคืออะไรไมันแค่ หมลมหายใจคนคนหนึ่งที่หมดลมหายใจขึ้นมาหายใจมาหายใจเข้ามาหายใจออกแล้วมันจะพิจารณาห้างไปก่ป น, นั้นปะนะโอวบปนปัยโผล่แล้วตัวเองเหมือนกันที่เที่ยวไปดูคนตายคนนั้นคนนี้นคนตายมันก็ได้อยู่ได้สัญญาแต่มันไม่ได้ปัญญาได้ปัญญาก็บองกลับมาหาตนเจอแล้วลพว ก, กไฟฉายเหมือนเอาไปใช้ไปสอ่องคนนั้นสอ่องคนนีน้มันก็เห็น แต่ถ้าเอาไปใชม้มาสั่งตัวเองเออเราก็เหมือนกันแหมองคาวะจุดเริ่มต้นที่ทำความเข้าใจแล้วก็เป็นเป็นความเข้าใจที่ใช้ปัญญาสติปัญญาเป็นตัวตัดเรื่องโลกอื่นรป็นเรื่องปกติเปรื่องธรรมดาเรื่องการใช้ชีวิตเปนธรรมดาเช่นการมีครอบครัวย่าอยมีความรักความโกรธคาหลงอยู่บ้าน แต่อยู่ในกรอบ ค, คือสินเพราะว่ากรอบก็คือสินเป็นปตัวบังคับมีบ้างแต่ว่าสินเป็นตัวบังคับชัดเจนไม่มีการละเมิดแล้วก็อนาคตอนาคตก็คืออย่างน้อยก็าชาติหนึ่งละเป็นไปยังเอกราชพีชีอีกชาติเดียวหมดละไม่จะมีมากไปกว่านั้นกะพีชีโกลังโก ล, ละ คือไปสู่ตระกูลนั้นตะกูลนี้คือไปเกิดนั้นแหละสักขุป arama อันนี้คือเจ็ดขัตตะแปลว่าจะเป็นอย่างง่ากเป็อย่างน้อยไม่เคยเนะี่ยเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราสามารถเพื่อตั้งเป็นเป้าหมายของชีวิตเราถ้าชีวิตเราไม่มีเป้าหมายเลยเนี่ยมันก็จะเป็นสเปาะได้ไม่ได้ในเรื่องหนึ่งแต่ว่าตั้งเป้าเอาไว้ ไ, ไ้ให้จิตสํำนึกมันจําเลยว่าชีวิตจะต้องเป็นอย่างนี้ จะหาเกินเจ็ดชาติทำมัมากไปกว่านี้มันก็จะวนเวียนไปถึงหลงโมหะครอนำหลงเล็ใ น, นคุณสมบัติเบื้องต้ น, ตนแค่สามข้อแคนะ่นคุณสมบัดิส่วนเรื่องอื่นๆคุณสมบัติอื่นๆก็เหมือนกับชาวบ้านทั่วไปทำมามหากินแต่งงานครอบครัวมีลูกอะไรต่อเป็นเรื่องปกติเพราะยังไม่สามารถจัดการมาราชการตัวที่สี่สกอาคารไปเริ่มเขา เรื่องเริ่มเราะจะเรื่องการมีแต่น้อยมีแต่ควบคุมมีสติปัญญารู้จักคัดกรองเลือกเวลากาะเเละอะไรน้อยนีสกห า, าขาวมีอยู่คือยังยินดียอลกามันคือรูปเสียงทีรบบทะบุญะกปีดทั้งมีเผอบ้างมีรักสวยรักงามเอาเป็นทีมาวากาละะนั่นแหละ อันนี้คุณจะวาสกัดอากาส่วนอนาคองมันมีเหมือนกับมันแห้งไปเลยที่เป็นฝันเรื่องรูปร่างกายท่อื่นเรื่องตารมรรคมันมีเหมือนกับมันหุ่งไปตัวปริยา่งฝันก็ฝันไปอย่างนั้นฝันเพราะข้าปลาอาหารมันปรุงมันแต่งแต่อย่างมันไม่มี้หรือไปตามมันมีอะไรกี่เพราะนั่นนี่จึงไม่กลับมาอีกไปอยู่ก็ไปที่พรม เพราะผมก็ไม่มีอะไรเกี่ยวกับกลางเขาไม่มีเหตุไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องกลางกันที่ไปของอนอ่อนกันี่เขาเข้ากันหมดนะครับแต่มันก็ยังมีมันก็จะให้ไปไม่ฝันไม่ฝันร้ายพูดง่ายๆมันชาวบ้านทั่วไปขกดดีเพื่อกระตัดได้มันมีเหมือนกับไม่มีจะบอกไม่มีก็ไม่ได้มันมี แต่เหมือนกับไม่มีแต่มีมันรู้ตัวแล้วมันก็วางก็แตาได้คันส่วนธรรมชาติของ ร, ร่างกายเป็นเรื่องธรรมดังานะเป็นเรื่องสารวัตเรื่องร่างกายรวงเรื่องธรรมดาอาจจะมีอย่างอะไรเรื่องเรื่องธรรมดัาก็มีเรา่องปกติแต่มันมีน้อยน้อยหมากส่วนอรหันตะอันนึ่งคืไม่ได้มีอะไรสงสัยในส่วนเหล่านี้ตะนุใส่ที่มีอยู่ นอนเนื่องกันสันดานมันรู้ดีเพรกะปีชาติคือปฏิบัติการเราก็เรียนอนุสัยแต่อนุสัยเนี่ยมันตามเรามามๆๆเรื่องตองกันก็เข้าใจเพราะนั้นคําว่าอาวิชชาคือความไม่รู้ข้อหนึ่งก็สามสี่ห้าหกเจ็ดสองเจ็ดสิบแปดเก้าก็จะรู้ชื่อเรียก ว, ว่าไม่มอะไรปกปิดที่านอ น, นคือทําลายเป็นอนได้ในเครือเบื้อ ง, งตน้นก็สายเสียงเรื่ได้ มันก็ดับพะนคำว่าดับในที่นี้คือไม่มีสภาพสิ่งเมาปุ่งมาแต่งเท่านั้นคือเรียกว่าอสังขตธรรมก็คือนิพพานนิพพานแปลงไงคำว่าดับที่เท้าจะอะไรมันดับนิพพานแต่มันเย็นอะไรมันเย็นเพราะนั้นผู้จะก่อนที่พรนิพพานก่อนที่จะทให้ดูผู้จะก็ทําให้ให้สาวกดูในขณะนั้นไม่แต่รูปประชางกับอรูปประชาง ซึ่งมันอยู่ในสังโยชน์อย่ยังติดในรูปอยู่ในติดในอารูปอยู่มันก็ชื่อว่าสังโยชน์อยู่เพราะยังคล่องก็อยู่ในหมวดของอนาคาอยติดในรูปก็อรูปคือชานมาทั้งองค์ชานชานสือ่อก็อรูปชานสือ่อคือสมาบัตแปดเนี่ยเป็นภูจังเราทำได้ทั้งแตเดกแล้วก็ครูบาอาจารย์ของเราแต่ละองค์แต่ละท่านอย่างละผู้แวนละผู้ชอบมัน ท่นได้ตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วทำได้ตั้งแต่สมัยพุทธกาลไม่ใช่เพิ่งได้เพื่งของเราเราพอเราไปติดทำท่านแล้วไปติดไม่สามารถจะปล่อยเสี่ยงของนี้ได้คิดว่านี่คือมันมีที่สุดแล้วแม้แต่ระบุเทศของเราซึ่งยุคปัจจุบันก็ติดเสียงไวเป็นสิบปีเหมือนกับมันไม่มีอะไรแล้วถ้าไม่ได้ระบุมั่นเลยครับระบุเทศเราก็ไม่เหลือประกายมรรคผลชอบ บุปุตติโพนังถ้าจะมีฤกษ์มีเดชเพราะว่าไม่มีฌานมา ก, ก่อนรูปฌานกับรูปฌานมาใช้เพื่อมีนะแน่ดูฌานทาสะสมเป็นนามรูปจิโรภิชฌาแล้วะอุเทนเ้าก็ติดจะออ ก, ก, กอนี้จนรูปผมมั่นมาแก่ห่างเป็นเป็นทีมาเขาบอกว่าพุเทนบอกถ้าใครทําใจให้เป็นกลางได้เป็นกลางได้คือหรือแต่ใจไม่เอาสุขไม่เอาทุกข์ มันมีสุขไม่มสุกข์อยู่ในใจซึ่งคนทั่วไปก็ติดกับสุขเกลดกับทุกข์ไม่อันใดก็อันหนึ่งที่เป็นกลางจริงมันไม่มีเมื่อมันไม่มีมันก็ไปต่อไม่ได้มันก็ชื่อว่าติดเป็นสุขเกลียทุกข์เพราะอุเเกขธาคือวางไม่ได้อุเปเเกขาจะไปว า, วางแป่ว่าเพ่งปิดใ จ, ใจอุเเกขาลม เพราะนั้นถ้าใครอย่เข้าถึงกระบวนการนั้นต้องเอาใจผาหลงคือจิตจะไปติดอยู่กับศพอย่าไปยินดีกับทุกข์หรือไปจมอยู่กับทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเพราะว่ามันคือไม่ใช่กลาลยานิมิตเลยทั้งคู่เลยอันเบมือนกับของขมกับ ข, ของหวานเ้าเองเถ้าซุปเอากิงของหวานเนิดหน่อยถ้าทุกข์กินของขมทั้งคู่นะ่ะเอยถ้าใครปล่อยวางทั้งคู่ได้ จุดค้างจุดข่าวช่วงขณะเราจะเข้าใจว่าการวางการไม่อยู่ไป็นสิ่งหมายของว่าจะสุขจะทุกข์มันไม่มีอิทธิพลต่อพวกเราคือชี้นําชี้แนะในชีวิตประจําวันของพวกเราได้นั่นกือจุดจุดตน่ะจุดจกดนในการเข้าใจาวางเรื่ออะไรในในความหมายเพราะนะซึ่งเรล่านี้มันต้เกิดด้วยปัญญามันไม่ได้เกิดด้วยสัญญา ไม่ใช่ไปไปดูแค่อุจจาะปัสสวะเรามันไม่ละครอสสุภาแล้วก็ถือว่าพิจารณาสุภแล้วมันต้องให้เกิดปัญญาจริงๆเราไม่ต้องไปดูที่ไหนอเพราะเขาเนี่ยมันอยู่ในตัวเราทุกคนดูแล้วแต่เราไม่เห็นด้วยปัญญาอะไรนะเราก็รู้ว่าสัญญาเออรู้เออมันถ้าพูดยากๆว่า ง, ง่ายคือรู้มีขี้มีเยี่ยวในตัวแะแล้วเคยรังเกียจอะไรน น้ำลายอยู่ในปากอยู่ดีไม่เป็นไรพูดจีนงลายแตกฟังพอออกไปเป็นงแต่อยู่ในปากก็ไม่ลังเกียจพูดจระอยู่ตัวไม่รังเกียจปัสสาวะก็แสดงกันนักคนเพราะเราไม่เห็นน่สัยเราจําได้คือสัญญาคือจําได้ไหมายรู้นี่คือสัญญาซึ่งคนทั่วไปก็จะอย่างเพรักคนที่จําอะไรได้เยอะๆอะยากจะเะข้าใจทุกอย่างคนมีปัญญาคนมีสัญญา ตัวท้ายสัญญาตัวนี้มันมันเหมือนกับเชือกมัดตัวเองมีมา ก, กมัดตัวเองมากจนดิ้นไม่หลดุดเชือกนั้นจนดิ้นไม่หลดุดกลายเปเครื่องพันธนาการตัวเองตัวเองคือจิตไม่เกี่ยวกับดื่นน้ําไฟลงที่นี่อยู่เพราะไม่นานเขาก็จะไปตามธรรมชาติของเขาเลยอขันที่ว่าเนียคือธาตุขันขันใช้คำว่าธาตุแล้วก็ขันสองอย่างนี้ ถ้เรายัางไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้คือจะเข้าใจในใจหมายนะยังไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ด้วยปัญญาไม่ได้เข้าใจด้วยสัญญามันก็ยากที่จะ่าคือมันไดขั้นแรกอยเพราะถ้าเราไม่เริ่มฝึกเลยไม่เริ่มคิดใช้ของคิดเลยกับในสิ่งเหล่านี้สุดท้ายเราต้องวิ่งตามพยับแมเด็ดไปสำนักนั้นสํำนักนี้สํานักโน้น ก็อย่างที่สอนกันไปขนาดครับก็ไม่รู้จะแค่อย่างนี้ก็ yeah> ่รู้จะอธิบายอย่างไงเพราะว่าตั้งจะลืมนะครัเชื่อแล้วเนี่แก่อยากมาเป็นนิยต่างแก่อยาความเชื่อของคนมนุษย์เนี่ยแก่ยากไม่ได้แก้ทั้ยากทั้งรำเพราะนั้นศรัทธาจะเป็นจุดเริ่มต้นแต่ว่าศรัทธาตัวเนี้ยสุดท้ายมันต้องปัญญาต้องเกิดปัญญาแร้วเขาเชื่อศรัทธาไม่ได้ C, และส่วนเหนี้จะเป็นอินทรีย์ือความแก่ก้าจะเป็นพลังคือกําลังของจิตที่ตัวกระตัดสินจะตัดสินว่าเราจะไปข้างหน้าหรือเข้าใจเหตุผลเข้าใจเหตุเข้าใจผลที่มันขึ้นอยู่กับโลกไปนี้รักเข้าใจกระบวนการคำวัดกระบวนการไม่แช่อย่างหดึอย่างหนึง่งเช่นยีลาก่อนจะไปดูแค่อุจจระอย่างเดียว อันนี้ไม่ใช่กระบวนการแต่ดูแค่ความตายอย่างเดียวมไม่ใช่รรกระบวนการกระบวนการของเขาที่ผู้เชื่อใจคือเบื้องต้นทำกลางที่สุดอย่าภาษาสมัยใหม่แล้วเดี๋ยวก็ต้นน้ากลางน้ําปันโอ้เพราะมากฟังแล้โห้เท่จริงเลยผู้เชื่เข้าใจาสิ่งเหล่าน้มานานแล้วแต่จะว่าเริ่มต้นมันเป็นยังไงแต่มันตั้งอยู่ยังไงแล้วดับไปยังไง ให้เห็นกระบวนการหลังเราวิปั ส, สนาวิปั ส, สนาทั้งรู้ทั้งเห็นและเข้าใจด้วยปัญญาไม่ใช่แค่จําเห็นทั้งหมดแต่เป็นกระ บ, บวนการคือตั้งแต่ต้นจนจบให้เห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปคือดับไปเร็วที่สุดด้วยปัญญานั่นแหละจะเป็นผลเป็นพื้นเป็นฐานของจิตที่จะไปต่อได้ ถ้าเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่นเช่นเห็นอุจจาระเห็นอุจจาระอสุภะอย่างเช่ น, เ ห, น, เ, หนเห็นคนอื่นตายอย่างนี้ตายคนเดียวไม่ทางเพราะใครก็เห็นได้ของคุณคนธรรมดาก็เห็นได้แต่คือเห็นนะมันเห็นด้วยตาเ น, นื้อตาหนังตาธรรมดาแต่ที่พุทธเจ้าท่านจัดมันเป็นตาในมันชะตาเ น, นาะตาในก็ปัญญา ไม่ใช่ตาย น, นอกอตายจ็บยาบันุวันนั้นตายตายจ็บจ่ที่เป็นมาตรฐานอะไรไม่ได้เลยต่ อ, ใอยใส่เป็นขยายขนาดมาตรฐานนะไรไม่ได้พต่ท่านมุนะ่งในจะมายถึงตานในคือปัญญาเห็นด้วยปัญญาไม่ได้เห็นด้วยสัญญาแม้มี ค, ความแตกต่างเพราะฉะนั้นต่อ้ดูเพ่งอุจจระทั้งวันมันจะได้อะไรถ้าไปเห็นความตายทุกโกรงพยาบาลจะได้อะไร แต่ไม่เห็นความตายของตัวเองไม่เห็นอุจจระของตัวเองแล้วมันจะได้อะไรนะเอางงขนาดนี้เป็นกัรมฐานงาน่ายตื้นๆธรรมดาเนี่ยต้องอรนะ่อยมากถามที่สอนอย่างนี้ดีไปแล้วข้อหนึ่งก็อสอนทําไปคุณไม่สอนเป็นจัตุรัลกรรมาฐานเป็นต้นต่อแม้แต่หลวงปู่เสรเาร์ก็ใช้อย่างนี้จัตุรัลกรรมาฐานแล้วท่าใช้ละเอียด ละเอียดมากในเรื่องของเช่นอสุภะทัดพิจารณาอาการสามสิบสองในที่เราสวดกันอย่างของอเมริกาโยนพิจารณาทุกอย่างตัดไปใส่โปงใส่น้อยใส่ใหญ่ทัดพิจารณาเรียกว่าพิจารณาอสุภะทัดพิจารณาอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องไปดูคนตายหมดลงมาจาจแล้วพอตายแล้วก็จบ ท่านพิจารณาละเอียดจะเห็นหมดอาการสายทีสองนี่คือลมปุสโสมปุสโสกระตัเสโลหลังจากนั้นพะิจารณาความตายสุดท้ายมันก็สุดท้ายถ้ามันเอาไว้อยู่จริงก็เอาตายเอาความตายเข้ามาปูเอาความตายเข้าม า, า, มาข่ามเหมือนวันนี้ทีโบเห็นเนพิสัยเห็นเห็นแล้วมาเกิด ค, ความสรุปสังเวชไหมเห็นแล้วต้องเกิดธรรมะสังเวช ไปเห็นแล้วเกิดคอซาโอ้มันไม่ได้ตายเลยน้วยมันก็ได้แค่สัญญามันไมได้สัญญามันต้องเป็นธรรมะสังเวชสังเวทเกิความสลดกนใจโอ้มันไได้ตายเหมือนหลวงปู่จเรียนปู่จเรียนเปคนมาขอบสขอธรรมะกับหลวงปู่ปูก่ก็ถามว่าไปอาชีพข อ, ขอะไรเขาล้าอาชีพวันหนึ่งทางานกี่ชั่วโมงโออย่างน้อย ปกตมกนะกมิมันก็แ ป, ปด 7, ชั่วโมงนั่งมาสั่มื้อลูกบุก็มาดิเดตอะไรมาบอโอ้ถ้าจัดเกินชั่วโมงเนี่ยมันต้องอะไรมากแค่วันละชั่วโมงให้เห็ตัวเองเนีมันจะได้ประโยชน์กว่าแปดชั่วโมงใช้เวลาไปมากเลยนีได้ทํำไหมถ้าทำไม่ต้องบวชก็ได้ถ้าทำได้ไม่ต้องมาบวชก็ได้บวชแล้วก็เสียมันเยอะ ถ้าทําไม่ได้นก็เสียใจเยอะเยอะมากเพราะว่าศีลมากข้ อ, ขอกฎกติกาสี่สำคัญเป็นคําสั่งของพระพุทธเจ้าถ้าทําตามไม่ได้แล้อันตรายอืมถ้าทําได้ไม่ต้องรู้ว่าเอาเวลาที่มันอยู่เขาไปปฏิบัติทำแล้วก็ไม่ต้องมามาช่อเหมือนกันหมดเลขคือหลวงปู่นไ ม, ไม่ได้นำมาไม่ได้ไม่ได้ชมนะว่าเอออุตส่าห์มาตั้งใจน้องมาคอนเทนต์ความท้าใม่เลย อยู่ที่ัหนก็ทำได้หายใจเหมือนกันหมดมันไม่จะต่างกันเลยอยู่แต่ใครเสร็จมากน้อยกันเองนี่คือครูบาอาจารย์สอนให้อยู่กับปัจจุบันสอนความจริงอย่างนี้ไม่สอนแบบครึ่งกลางๆแล้วก็ไม่อธิบายขยายความเห้ผลทำไมก็อะไรโชคดีคนที่ไปดูอุจจาระปัสสาวะอะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่เห็นเกิดคนน่เกลียดากัวอะไรก็ตาแล้วมัน มันเกิดวิปลาสขึ้นมานมันหนักนะเกิดวิปลาสขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งอล่รมันอยู่ข้างนอกสติจริงแต่สติมันอยู่ข้างนอกมันไม่อยู่ในตัวก็เลยสื่อถอยู่ข้างนอกแก้ไขอะไรไม่ได้มันจะมีวิปลาสได้ง่ายแม้จะเป็นนิมิตก็ตามนิมิตก็จแต่อกขันนิมิตเห็นแล้วติดตาเสามอติดตามแต่ถ้าให้เกิดนิมิต ให้ประโยชน์จริงๆเลยติดตาเนี่ยคือสามารถสร้างให้มันเกิดก็ได้สร้างมันดับก็ได้นี่อันนี้เป็นประโยชน์เลยหมายความว่ากําหนดกําหนดได้ให้เป็นกระสินอ่ะมันเกิดก็ได้ให้มันดับก็ได้ก็ุ๊ง่ายๆคืออยากเห็นก็ได้ไม่อยากเห็นก็ได้แต่ถ้าเห็นก็เกิดแล้วมันไม่ดับในอัมพี巴拉มันอัมพี巴拉อยากให้มันเกิดอื่นเป็นตันหางแล้สรุปคืออยู่ด้วยในความอัมพี巴拉ไม่ไปลาเกิดความนั่งนึกตันหง โดยตัวเองไม่รู้มาเกิดตนานองมันจะไปดับได้ยังไงเราจะเข้าใจอะไรอยู่ได้ยังไงแต่ถ้าเห็นตัวเองเนี่ยเป็นการดูที่สุดเหตุมากกค่นนะ้อยมากเท่าไหรคอยเห็นตัวเองไอ้วันวันหนึ่งทาแบบหยาบยาก็เห็นความดีความไม่ดีความคิดคําพูดการกระทําของตัวเองนี่เบื้องต้นเลยหยาบหยาบเลยเราไม่ต้องพูดจริงจริงตงที่ปัญญาเขาเห็นอย่างนี้ในชีวิตปรนะจาวันมันจะได้เออแก้ไข เราได้ยินโอหได้ยินเออสิ่งมันชอบไม่ชอบเพราะอะไรทำไมชอบเราฟังเราไม่ชอบเราก็อย่าไปทําอยู่นะไม่ชอบเส่นเดียกันคิดอย่างนี้คิดไปแล้วมันไม่มีที่สิ้นสุดมันไม่สบายใจก็อย่าไปคิดเป็นอย่างนั่งคิดอยู่นั่นแหละมันจบไปแล้วมันรอกี่วันกี่เดือนกีนก่ปีก็อย่ามานั่งคิดจุนโดยที่เองไม่อยู่กับปัจจุบันะภูตยาสอนเรื่อง ขอให้อยู่กับปัจจุบันดึงกลับมาโดยวิธีใดก็ตามโดยลมหายใจก็ตามโดยอะไรก็ตามให้อยู่กับปัจจุบันให้ได้ปัจจุบันตอนนั้นที่แก้ปัญหาได้อดุตเพื่อไม่ได้อนาคตแค่ไม่ได้นี่คือบทที่เจ้าถ้าเราอยู่กับปัจจุบันทุกเรื่องไม่จะเป็นความคิดก็ตามคำพูดก็ตามการกระทําก็ตามตุวนเราลำบากขอา้อหไหนเพราะไม่อยู่กับปัจจุบัน มันถึงนเป็นอย่างนี้แล้วถ้าเราปฏิบัติปัจจุบันเราต้องการให้จิตเราอยู่กับยันยืนเดินนั่งที่เป็นปัจจุบันส่เรื่องเก่าเรื่องแก่เรื่องจบไปแล้วช่างมันมันต้กิดประโยชน์อะไรน่ะมันก็จะเกิดปัญญาไม่งั้นเราก็ใช้แค่สัญญาที่จําจําเรื่องอดีตคนนั้นมันทําดีแต่เราคนนั้นทำไม่ดีแต่เราคนนันนั่นคือสัญญานะสัญญาที่มันทำาร้ายตัวเองตัวตัวเองก็ไม่รู้เพราะไม่มีสติ คือเราลดไม่ได้นักขึ้นมาไม่ได้กิริยามันไม่ีสติเมื่อคนไม่มีสติปัญญาก็ไม่เกิดปัญญาไม่เกิดอาจะทําลายสิ่งที่มันมืดที่เราไม่เคยมองเห็นเลยได้อย่างไรก็ใช้วิธีชีวิตเดียวนะวันวันซ้ําแล้วซ้ำแล่าซ้ําแล้วซ้ำแล่วแล้ ว, ว, วพอปัญญาของมันเกิดแล้วฝากาเราดู่าให้อยู่ปัจจุบันจุได้หรอกมันก็จะเกิดปัญญ า, าโออ้คิดได้ตัวได้เองอย่างนี้ อาจจะเป็นไปถูกควมลักถอนไปวางนเพื่อการเข้าใจในรูปแบบเรื่องอัาเรื่องทำเข้าใจตัวเองแล้วเราจะเข้าใจคนอื่นแล้วเราคิดว่าคนอื่นกับเราไม่เกี่ยวกันเราก็คือเราปัญเอาตัวเองน้มันมั่งที่สุดเราวุ่นวายกับเรื่องคนอื่นมากแล้ ว, วมันลุกจากพื้นยาเป็นโอกาสของเราชานี้ทําสติปัญญาให้มากขึ้นเท่ากับยากได้อย่าได้กาดทุนวาถนาไว้เลยว่าอย่าง อย่าให้เกิดเจ็ดซมันให้เหลือนิสัยแต่ต้องทําด้วยเนาะไม่ชคิดแล้วไม่ทําคิดแล้วต้องทําด้วยปฏิบัติ ด, ด้วยมากน้อยเป็นอะไรขอให้เป็นนิสัยคือทําให้เปนิสัยอย่างนะมันจะมีนิสัยติดตั ว, ค, ต ว, ตวคือติดตัวคืติดใจติดใจของเราไปเราจะเป็นคนที่มีปัญญาเกิดคือว่าคนมีสติปัญญาไม่เฉลี่ปั่มเปิล นึกได้บ้างนึกได้ไม่ได้อะไรก็ไม่รู้เราก็เดินกันอยู่ยนะเองคนมีสติปัญญาไม่ใช่ไม่มีนะ่ะมีแต่สติปัญญามันน้อยเหมือนแสงสว่างมีไม่มีแต่แสงสว่างมันน้อยจมมองไม่เห็นแต่ถ้าแสงสว่างมันเยอะมันก็มองมเห็นนั่นคือคือทําลายอาวิชชาคือความมืดความบอกความไม่รู้ในจิตของพวกเราซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ใหญ่บากมาก อย่าเอากายไป็นเรื่องใหญ่แม้แต่ของเรื่องกินเรื่องอยู่รยเรื่องอพระเอเรื่องเสื้อผ้าอาบน์เรื่องหน้าที่การงาเนเอยจะเอาเป็นใหญ่วันหนึ่งมันต้องรัวันหนึ่งต้องทื่มก็คิดว่าเป็นเรื่องชีวิตประจําวันแต่เร่งสําคัญที่สุดคือจิตเพราะจิตมันต้องเที่ยวมาเป็นพันๆปีมาแล้วไม่จนะทำอะไรเนาะเป็นพันๆปีมาแล้วเอาแค่พที่เจ้า โอเคพุทธการที่เรานี่อยู่ยังไม่คิดมันดีย้อนกันขนาดนะ้จริงมันมากกว่านันอ่ะไปนั้นอะไรเป็นเครื่องไปสู่จะเห็นว่าโอจิตของเราเนี่ยพอจะได้เช่นวาจารณ์แม้เกิดทันสมัยพุทธการแต่ว่าถ้าสนใจปัจจัยตัวใจเรื่องรัฐิฌานสมาบัติรูปฌานการรูปฌานถึงก็เป็นของสุดยอดแในสมัยนั้นสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรจนจิตมีท่องเที่ยวในวัฏฏะต้อตงกาอันนี้เป็นผลพันธุ ก็ที่จะสำเร็จได้ในชาติปัจจุบันคือชาติของพวกเราในวันนี้ก็นั้พวกเราก็จะเสียเวลาเอาก่อไปคนที่หมดไปเยืน ม, มากทำให้มากันงงนั่นตั้งใจเป้าหมายชัดเจนอย่าไปวอกแวกวันไหนไปตามสัญญาอารมณ์คนนั้ น, นคนนี้คนนูนมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยต่อเห็นอะไรก็แล้วแต่ต่อให้พระเจ้านั่งอยู่ตนาดก็จะไม่ได้อะไรถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติ อันนี้คือสาวรา้าทำพวกเราฝากพวกเราครับคืนวันนี้ต่อปอนพนาเขาไม่อยู่ก็จะได้เปลียนแนวคือแนวนึกแนวคิดแนวปฏิบัติธรรมะของผู้เจ้านั้นทำสมัยสมัยอาจารย์หลูกเป็นเครื่องปฏิ ส, สูตดาวแต่ใครปิสูตดาวจะเข้าใจผู้ที่เจ้าผู้ดงสลังกขาสื่อเป็นยังไงมึงบอกว่าเคารพตรทธาด้วยชีวิต ไม่ใช่สิ่งัทาจากว่าพุทางสนังกาจามิอะไรกัแล้วกันไปสนังกาจาแิอะรกันแล้วกันไ ป, ส, นนนไปสังฆ้องไปที่เราทำกันอยู่ทุกวันแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะเป็นเรื่องที่หมายว่าเออคนที่เขา้าก็ถึงจะต้องทํำตัวอย่างนี้คือต้องเข้าถึงผู้เจ้าประทับประสงค์ว่เป็นสระหนระือว่าเป็นตัวพึ่งและที่สำคัญปณบารสกนันต้องมีศีลแล้วสติปัญญาเกิดขึ้นแล้วสติปัญญาแต่นะี้จะเป็นตัวตัด ซึ่งหลังคือตัดสั่งยชนหรอกความหมายามกรรมฐาคือตัดสัง่งยอดด้วยสติปัญญาไม่ใช่ด้วยสัญญาปะมันนี่คือสารธรมรมสารปะพวกเราสักครั้งคืนวันนี้ก็ถ้าเราโอปปะจิ โ, โกน้อมปาตัวก็จะรับประโยชน์เอาไปต่อยอดเอาไปคิดต่อเอาไปทําจอ่อวันหนึ่งมากน้อยขึ้นอะไรขอให้เป็นแนวนึกนึกถึงอย่างนี้เป็นประจําแต่ถ้าจะนึกถึง อุจจระปัสสาวะแล้วก็ความตายโดยมีนึกถึงบูชาดูคนแึดงความเมตตากับพระองค์ที่มีต่อเวรนิสส์ดออนไลน์มันก็ได้แค่อุจจระปัสสาวะร้าขาของพระองซึ่งมีประโยชน์เพราะวันนึงเราปล่อยทุกวันนม่เป็นอะไรที่ไม่ปล่อยถ้าไม่ปล่อยจะยุ่งเลยนี่ความเป็นมีตัวเราอย่างเราเราขอธรรมทาความดีที่เราทุกคนที่มาร่วมกันฟังธรรมจำศีลภาวนาในครับคือคนาม เราขออนุสงฆ์แหงความดีที่เราทํามาทั้งหมดนี้จนเป็นพละปัจจัยจะเป็นนิสัยเป็นพื้นฐานอยู่ในจิตยึดใจของเราและความดีใ น, ในีน้จงแพร่ถึงแก่บรรพบุรุษของเราคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้มีพุกุลทั้งหมดขอให้ท่านเหล่านั้นจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่พวกเราทั้งหายได้กระทำมาเป็นในค่าคืนวันนี้อากะศที่ปาขยายกรมาขอคนทุกคนเจริญนะ